อันสูงส่งได้แต่บุญกุศลเป็นอุปนิสัยอันเกิดจากความเลื่อมใสในคุณพระตนไกรเท่านั้นแหละแต่ที่จะให้กิเลสมันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนะมันยากถ้าไม่ตั้งใจจริงๆนะเ น, น, นตรงตั้งใจ การที่เราตั้งใจเข้มแข็งอันนี้แเดียวว่าเป็นการฝึกจิตให้กล้าหารไม่ให้จิตอ่อนแอธรรมดาจิตอ่อนแอนี่เรารู้ตัวได้ทุกคนแหละมันไม่สงบอยู่ได้ล้วกายก็สงบไม่ได้ถ้าใจอ่อนแอหลอดแอร์แล้วนะ คอยแตจะเคลื่อนไหวไปมาอยู่งั้นแหละจะนิ่งนิ่งอยู่โดยลำพังนี่ไม่ค่อยได้แล้ะเพราะว่าจิตนะ่ะมันเป็นใหญ่กลัวกายวาจาอย่างที่เคยพูดมาแล้วนะนะพอจิตมันวันไวอาการกายวาจามันก็วันไวไปตามเป็นเช่นนั้นถ้าจิตมันนิ่งกายมันก็นิ่งด้วย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 ความสงบเรียกว่าอ ย, อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขนี่เมื่อมีความสงบอย่างว่านั่นแล้วมันก็มีความสุขอยู่ร่วมกันก็มีจิตใจเบิกบานต่อกันแลกกันถือจะว่าทั้งครอบครัวหัวเมียลูกหลานพอ่อแม่อะไรอยู่ด้วยกันถ้าหาว่ามุ่ง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 การที่มันจะสงบภายในได้มันก็ต้องสงบภายนอกก่อนอยังว่ามาแล้วนั่นแหละจะเป็นชาววัดก็ตามเป็นชาวบ้านก็ช่างเ น, นี่ยเย็นชาววัดผู้มาอยู่ในวัดถ้าปรองดองสามัคคีกันได้ดีมีศีลเสมอกันมีความประพฤติ ทางกายละมุนละไมสมอมเสมอกันอย่างนี้น ะ, ะมีความเห็นตรงกันคือมีความเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนียเห็นว่าผลแห่งกรรมดียอมอํานวยให้เป็นสุขผลแห่งกรรมชั่วยอมอ่ำนวยให้เป็นทุกข์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 ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าการเป็นอยู่เป็นไปแบบนั้น่ะมันเป็นไปเพื่อความสุขอันยั่งยืนหรือว่าเป็นไปเพื่อความสุขชั่วคราวมันไม่ได้คิดวินิจไม่ได้วินิจัยเลยถ้าผูใ้ใดวินิจัยด้วยปัญญาของตนแล้วก็ย่อมจะมองเห็นว่าอันความเพลิดเพลินอย่างว่านั้น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 มีศิลมีธรรมก็ทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสเรียกว่าเป็นผู้ลื่นลึงอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลไม่ได้ลื่นลึงอยู่ด้วยกิเลสตัณหาความลื่นลึงอยู่ด้วยบุญกุศลแบบนี้นับว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายได้กระทำวําเพญมาทุกยุคทุกสมัย และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อุบัติบังเกิดมาในโลกก็ทรงสั่งสอนให้คนทั้งหลายนั้นลื่นเลิงบันเทิงอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีที่ตนกระทาบาเพ็ญมาอย่าปล่อยใจให้เพลินไปตาอำนาจของกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆนีมน่มันมีสิ่งที่ให้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 การได้ทอดกระทิ้นทอดผ้าป่าบางสกุลได้สมัครสมานสามัคคีกันรวมกันเป็นหมู่เป็นพวกไปแล้วจัดทากันขึ้นถวายทานไปทำให้เกิดจิตใจล่างเลิงบันเทิงในกองการกุศลนั่นๆอันนี้ก็เรียกว่ากุศลกราร ม, มาวาจร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 รู้ทรรู้แนวทางปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วแถมยังได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ได้ความสงบความเย็นใจตามกำลังความสามารถของตนของตนได้ความล่าเริงบันเทิงใจอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้บุคคลผู้นั้นมีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนผู้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 ได้อุบายปัญญาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นนักปราชทั้งหลายท่านจึงเลื่อมใสอินดียิ่งในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่นะไม่เบื่อไม่นายเลยอยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วท่านยิ่งเลื่อมใสใหญ่พระอรหรนันตนะ์น่ะท่านไม่เบื่อไม่นายต่อพระธรรมคําสอนแล้วเพราะเหตุว่า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 กรรมฐานนั้นมันก็แจ่มแจ้งขึ้นในใจทันทีนี่นะเมื่อใจเห็นแจ้งในกรรมฐานอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านรําคาญไปทางอื่นก็มีแต่จะไหลเข้าไปสู่ความสงบอย่างเดียวอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่ชำนิชํานาญทางเข้าไปสู่ห้องนอนอย่างนี้แหละ ไปถูเตียงนอนอย่างงี้ตนเคยเข้าไปอยู่ทุกขคืออยู่อย่างนี้มันก็ไม่ลังเลเลยอ่ ะ, อะพอเปิดประตูเข้าไปเดินเข้าไปก็ถึงเตียงนอนห้องนอนได้สบายไปเลยเพราะมันชินพรแรงอะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการทำสมาธินี่เมื่อผู้ใดไม่ลืมเลือนกรรมฐานที่ตน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 เมื่อตอนเจริญกรรมฐานอย่างนี้จใจจึงสงบลงอย่างนี้ก็จำให้แม่นไว้ อ, อย่างนั้นแหละแล้วคราวต่อไปก็เจริญกรรมฐานอันเก่านั้นแหละอีกเพ่งเอาให้กรรมฐานมันแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วมันก็สงบลงได้เท่านั้นเองนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึางได้ทรงสอน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 จะมีใครแนะนำในทางที่ถูกที่ต้องอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าตนไม่ทำให้มากไม่เจริญให้มากจนชำนิชำนาญแล้วก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นให้ปากันสังเกตให้ได้เมื่อตอนชำนาญกรรมฐานอะไรใจจึงสงบก็ เคารพต่อกรรมฐานอันนั้นเลือยไปแม้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไระก็อย่าไปลืมกรรมฐานอันนั้นต้องตรวจตราอยู่เสมออย่างนี้แหละเช่น อ, อ, อย่างบางคนนะเมื่อมานึกถึงความตายเป็นอารมณ์เลยอย่างนี้เกิดความสังเวชสลดจิตขึ้นมา มีสติประคองจิตอันนั้นลงไปจิตยวมันก็คลายอารมณ์ภายนอกทั้งหมดเข้าไปถึงความสงบได้นนเพราะว่ามองเห็นว่าเมื่อความตายมาถึงแล้วต้องทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเป็นของตัวไม่มีอะไรเป็นของติดตามตนไปแม้แต่น้อยเดียวก็เมื่อมันมองเห็นลงไปอย่างนี้มันก็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 นี่ทำอย่างไรจิตมันจะคลายอารมณ์เหล่านั้นออกแพรก็หาอุบายเข้าไปเพ่งเข้าไปอย่างเช่นว่านี่แหละถ้าหาว่าใจมันแข็งกระด่างกระเดืองมันไม่อยากลงเราก็นึกถึงความตายนั้นบ่อยๆเข้าทำไมล่ะจึงเกาะจึงคล้องอยู่จึงคาอยู่เมื่อความตายมาถึงแล้ว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 มันจะไม่เพลิดเพลินล่าเลิงไปในกรรมคุณเป็นอย่างนั้นใน <c oughs> การาระลึกถึงความตายนี่ก็นัว่าเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมแก่คนหมู่มากส่วนมากทีเดียวแหละเพราะว่าคนส่วนมากนั่นมันก็มีแต่ชอบจะเพลิดเพลินไปในกรรมคุณเมถุนสังโยศ นั่นแหละมากต่อมากเลยทีเดียวทีนี้บางคนจะมาเพ่งตั้งแต่อสุภะอสุพังเป็นอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่ลงก็มีจิตนะั้นน่ะนั่นแหละบางทีวาเพ่งให้มันเห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลมันกลับเห็นเป็นของสวยงามไปก็มีเพราคาตัญหามันย้อมใจ เป็นอย่างนั้นแต่เป็นเช่นนี้เราก็นึกถึงความตายมาประกอบเข้าด้วยนี่เมื่อมันเห็นแจ้งในความตายนั้นชัดเจนแล้วมันอาจจะคลายอารมณ์นั้นออกไปก็ได้บางคนก็บอกว่า fi, นึกถึงความตายบ่อยๆเข้ากลัวอายุมันจะสั้นมันจะตายเร็ว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 ยังไม่เห็นแจมแจ้งขึ้นมาแล้วอย่างนี้ ก, ก, ก็ก็ไม่ควรที่จะไปเชื่อดายไปเลยทีเดียวนะพระองค์เจ้าหมายเอาอย่างนั้นก็ต้องค้นคว้าต้องพิจารณาคำสอนที่ท่านแนะนำมานั้นนะ่ะมันเป็นความจริงหรือไม่นี่ถ้าทนคิดไม่ออกก็นำไปถามท่านผู้รู้ทั้งหลายดู หาท่านผู้รู้ท่านรู้จริงเนี่ยท่านจะได้แสดงท่านจะได้ชี้แจงให้ฟังพร้อมด้วยเหตุด้วยผลจนว่าเจ้าของปัญหานั้นหายสงสัยนั่นแหละก็ะจิงค่อยเชื่อหายสงสัยว่าออครูอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนมานี่นะท่านสอนถูกทางจริงๆเป็นทางพ้นทุกข์จริงไม่ผิด เพราะว่าตนก็พิจารณาเห็นแจ้งโดยตนเองขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะอ่านี่แหละไม่ว่าเรื่องใดๆหละเมื่อเราได้ยินได้ฟังมาก็ควรที่จะน้อมเข้าไปวินิจฉัย ใ, ให้มันเห็นแจ้งไปจากด้วยตนเองทุกอย่างถ้าให้สามารถจะเห็นแจ้งได้โดยตนเองก็ไปเรียนถามท่านผู้รู้ทั้งหลายอย่างว่านั่นแหละหท่านชี้แจงแนะนํา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 คำว่าฟังโน่นนั่นก็ท่านหมายเอาพระนิพพานนั้นเองแหละแต่เวลาที่ยังไม่ถึงพระนิพพานไม่ได้บรรลุพระนิพพานนะ่ะก็ต้องอาศัยเรือนั้นไปก่อนอเมื่อ ย, ยังไม่ถึงพระนิพพานก็อุปมามัยมนยังบุคคลที่ยังอยู่ในเรือนั้นนะยังต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลไปก่อน บุญกุศลพาให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าพาให้มาเกิดในโลกอันนี้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์มั่งมีสิสุขอะไรต่ออะไรเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจความเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานมื่นี้เราอาศัยบุญกุศลที่กำลังสร้างสั่งสม มาโดยลำดับนั้นเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่นั่งอยู่ในเรือกำลังแล่นข้ามน้ำไปอยู่นั่นน่ะก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรน้ำก็ไม่ได้ท่วมไม่ได้จมน้ำตายเพราะเรือนั้นต่อดีแล้วเรือก็ไม่รั่วก็เปรียบได้กับชีวิตจิตใจของคนเราเนี่ยเมื่อสั่งสมบุญกูสอน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 ตกลงไปในนรกน้ำร้อนรว่วไฟเผาร้องครวนคางอะไรหมดนี่นะความทุกข์เช่นนี้บุคคลผู้มีบุญจักไม่ได้พบเลยเหมายความว่าอย่างนั้นจักได้พบแต่ความสุขความล่าเริงบันเทิงใจเพราะด้วยอำนาจบุญกุศลอันนั้นหากประคับประคองขิดใจให้เยือกเย็นสบายดี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 ซึ่งหมอรักษาเยียวยาให้ไม่ได้แล้วมันยังมีไอ้ลดความแขนหักขาหักตาบอดอะไรสรัพัดไอ้ร่างกายมันจะวิบัติลงไปอ่ะเสียองค์คะกันไปจนตลอดปันตายนั่นก็มีอ่มือเนี้ยถูกจนมันจี้มันปล้นมันทำลายร่างกาย ให้เจ็บให้ป่วยรอดลม้มรอดตายมูนี่มันล้วนตั้งแต่ผลแห่งบาปกรรมที่ผู้นั้นทำเอามาแต่ชาติก่อนมันตามมาให้ผลทั้งนั้นแหละแต่คนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อหรอกเ น, นื่องว่า ม, มันก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นปัจจุบันนี่จะว่าแต่กรรมอดีตอะไร ม, มันก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละ แต่ทีนี้คนที่เขาไม่มีกรรมมีเวรเขายังไม่อุบัติเหตุมีอยู่ถมไปไม่ใช่เหรอนั่นอันนี้อะไรเฉพาะเมื่อมีตนเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปอืแต่ถ้าหากว่าพูดตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแน่นอนแหละคนเราถึงความอมุบัติไม่สามารถจะเยียวยาแก้ไขได้อย่างนั้นมันต้องกรรมเวรจริงๆเลยทีเดียวอืม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 ท่านปูติคัตตะกายะเถระแปลว่าพระเถระผู้มีกายอันเน่าตั้งแต่ขั้งศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัดสปะนั่นนหะเมื่อพระ อ, องค์ดับขันปรินิพานไปแล้วก็ยังเหลือแต่พระสงฆ์บัานี้ก็มีครอบครัวหนึ่งพ่อบ้านนั้นเป็นพานนก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 พ่อแม่ครัวนั้นทำอาหารปิ้งนกใส่ภาชนะมาต่อหน้าพ่อบ้านนั้นพอดีก็มีพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านมายืนบินบาตหน้าบ้านพ่อบ้านคนนั้นเห็นพระมายืนอยู่นั่นก็เรื่มใสยินดีแลเลยเอาอาหารที่แม่ครัวยกมาให้ตอนกินนั้นไปใส่บาตรให้พระเถระองค์นั้นเสีย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 ไอ้ ร, รมเวรที่ท่านได้ทำมาแต่ก่อนได้หักปีกนกได้หักขานกนั่นแหละมันได้โอกาสให้ผลแล้วก็ทำให้เกิดเป็นตุ่มผพองขึ้นทั่วร่างกายเลยน้ำเหลืองไหลเยิ่มทรงกลิ่นเหม็นจนว่าลูกศิลุกหานั่นไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ได้ท่านก็นอน แชน่น้นำเน่าน้ำเหม็นตัวเองอยู่อย่างนั้นเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้บ้นี้ในคืนวันหนึ่งพระศาสดาเร็งยานสองสัตว์โลกท่านปูติคัตตะกายเถระนี่ก็ไปต้องขายพยานของพระองค์รุ่งเช้ามาพระองค์จึงเสด็จเดินทำท่าเดินเรียบวัดไปไปแล้วก็ไปสู่ที่อยู่ของ เถละองค์นี้ก็ไปเห็นท่านนอนแช่นำ้ำเน่าน้ำเหลืองอยู่งั้นเนี่ยจนเราพระเนรทั้งหลายไม่ใกล้แล้วพระองค์ก็ไปทำท่าติดไฟขึ้นเอาน้ำใส่หม้อตั้งขึ้นพระทั้งหลายเห็นอย่างนั้นก็รีบกุลีกุจอมารับอาสาธรรม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 ลวกน้ำร้อนแล้วก็เอาจีวรห่มไว้เมื่อตากผ้าสบงแห้งแล้วก็ผ้าสบงนั้นมานุ่งให้เอาจีวรไปลวกน้ำร้อนไปซักให้สะอาดตากให้แห้งแล้วในขนาดนั้นก็เอาผ้าซุบน้ำอุ่นไปถูไปพยายามถูตา ตัวของท่านนั้นแหะให้นำ้ำเหลืองนำ้ำเน่าอันนั้นมันออกไปให้ร่างกายสะอาดไปด้วยดีหมดจดดีแล้ววันนี้ผ้าจีวรแห้งแล้วก็ผ้าจีวรมาห่มให้ <c oughs> เมื่อ <c oughs> นุ่งสบงทรงจีวรเรียบร้อยแล้วพระศาสดาก็จึงไปประทับยืนอยู่บนศีรษะของท่าน ปุตตะกายเถระนั้นแล้วกล่าวพาสิทนี้ขึ้นว่าอาจิรังวัตยังกายโยปทวิงอธิเสสติชุดโดอาเปตะวิญญาโนนิรัตถังวะคิงคังโอ้ร่างกายของคนเรานี่ไม่นานหนอบังเกิดก่อแล้วกับกายดุจ่ฟองแห่งน้าไมาย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 เพื่อให้รู้ว่าคนเราเนี่นะทำทั้งบุญทั้งบาปมันก็ได้สวยทั้งสุขทั้งทุกข์ดังกล่าวมานี่แหละใครชอบหรือแบบนี้นั่นถามตัวเองดูสิ <c oughs> ถ้าชอบก็ทำไป <c oughs> ไม่มีใครว่าอะไรหรอกถ้าไม่ชอบบาปไม่ชอบความทุกข์ดังกล่าวมานั้น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 ท้อแท้ต่ออำนาจของกิเลสตัณหาทั้งร่างกายก็มีกำลังเลี่ยวแรงพอจะทำกุศลคุณงามความดีต่างๆได้นี่นะมันต้องพร้อมทั้งวาจาก็ดีไม่เป็นคนปากกึกเป็นผู้มีเสียงไพเราะเพราะทิ้งเดี๋ยวว่าพร้อมด้วยไตรทวารก็แล้วกันแหละเมื่อผู้ใดเพียรพร้อมด้วยไตรทวารดังกล่าวมานี้แนละ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 จึงได้เสด็จประทับนั่งบนวันลังใต้ต้น พ, พระศรีมหาโพธิ์ต่อสู้กับพญามารและเสนามารเหล่านั้นให้พ่ายแพ้ไปได้อย่างราบคาบเลยกพ็พราะอาศัยพระองค์เพียบพร้อมไปด้วยทั้งกำลังพระกายกำลังพระมนต์คือดวงใจกำลังปัญญานี่ประกอบพร้อมไปหมดเลย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 พอยุติลงเพียงเท่านี้